บัรธรรมทุกท่านน้อมกราบถวายความเคารพพระวิปัสสนาจารย์พร้อมๆกันกราบกราบกราบนำ้ำพระส ก, การ พระอาจารย์มาร์ชากโครที่เคารพอย่างสูงโครงการอบรมวิปัสนากรรมฐานหลักสูตรพุทธวจนะโดยพระอาจารย์ครกริตสทธิพโรระหว่างวันที่20ถึง26มกราคมพุทธศักราช2554ณศูนย์วิปัสนายุพุทธฉมพระเกียรติปฐุทมธานีมีผู้เข้า ร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น60ท่านโดยเป็นชาย13ท่านหญิง47ท่านในจำนวนทั้งหมดนี้มีผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมในหลักสูตรนี้จำนวน23ท่านยังไม่เคยปฏิบัติธรรมในหลักสูตรนี้แต่เคยปฏิบัติธรรมในหลักสูตรอื่นๆมา ก, ก่อนแล้วจำนวน37ท่านโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของพันตารวจเอกนรวัจจรรยรัชภา ซึ่งเป็นประธานผู้ดูแลโครงการโดยมีผู้ประสานงานจำนวนสองท่านได้แก่อาจารย์นักัาราราชเศรษฐสินทพลและอาจารย์ปานาตีสุคนทวงปัจจุบัได้เวลาที่จะเจริญวิปัสสนากรรมาฐานแล้วแค่กล่าบขอโอกาสพระอาจารย์ได้เบิกตัวผู้แทนถวายเครื่องสักระ มอบกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัยต่อพระวิปัสนาจารย์เพื่อเจริญวิปัสนากรรมฐานเป็นลาดับไปขออนุญาตได้กล่าวเรียนเชิญผู้แทนทั้ง3าท่านซึ่งประกอบด้วยคุณรัต ด, ดาวันคงสมเพศคุณกนิษนางกุศลนพงวานนิตและคุณนงลักษ์สุธรัตข อ, อกล่าวเรียนเชิญทั้ง3าท่านด้านหน้าเลยครับ รับทั้ง3ท่านเปิดกลวยเครื่องสักการะมอบถวายผ่านมาลายเครื่องสักการะแด่พระวิปัสสนาจารย์ทีละท่านตามละดับนะครับขอเรียนเชิญครับทางด้านขวาก่อนเลยครับ เป็นเจนกราพร้อมกัน3ครั้งนะครับกรากรากรา บ, ราบขอบพระคุณผู้แทนทั้ง3ท่านนะครับกราบเด็นเจนกับนั่งประจำที่แล้วจากนี้ อรีนเชนทุกท่านได้เปิดหนังสือไปที่หน้า9ตัวทีนะครับหน้า8นะครับเปิดไปที่หน้า8คํำอารัฒนายสิน8โดยอรียนเชินท่านอาจารย์วิทยกรเป็นผู้นาต้นเสียงนะครับก็เปิดแล้วนะคะเราว่าพร้อมกันเลยค่ะ มายังพันเตติสารเณนะสหอาถาศีลานิยจามาทุติยามปิมายังพันเตติสารเณนะสหอาถาศีลานิยจามาตัติยมปิมยังพันเตติสรเนนะสห อาถาศีลานิยาจามานะโมตัสสะพระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคาฉามิธรรมังสรนังคาฉามิสังขังสรนังคาฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคาฉามิ ตาติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตาติยมปีธรร ม, มังสารนังคาฉามิตาติยมปีสังขังสารนังคาฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอาตินาธานา เวรมณีสิขาปัทธังสมาธิยามิอภัมมัจจริยาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยามะชาปมาทฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการละโผชนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัศนะมาราคันทะวิเลปนะภทารนะมันดนะ วิภูสนาถานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาศยนะมหาศายนาเวระมณีสิกขาปทังสมาธียามิอิมานิอัตถสิกขาปทามิสมาธียามิ อิมานิอัตถสิกขาปธานิสมาธียามิอิมานิอัตถสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปธานิสมาธิยามิต่อไปถวายอัตภาพร่างกายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพร้อมกันค่ะอิมาหังพันเตพระควา อาตภาวังตุมหากังปาริจชามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ขอน้อมกายถวายอาตภาพร่างกายนี้แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนา อิมาหังพันเตอาจริยะอาตะภาวังตุมหากังปาริจาชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อท่านพระอาจารย์เพื่อเจริญสมถะและวิปัสนานิพานสเมพันเต สัชิกระัตถายะกัมมัฏฐานเทหิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญโปรดให้อริยสัจสี่แก่ข้าพเจ้าเพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอุกาสะอุกาสะนะนาโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งคารเจริญญา ทั้งสี่และวิปัสนาญ า, 4, า, าเพื่อกระทาให้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่แล้วตั้งสติไว้ที่กายเวทนาจิตและธรรมเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินโขีคกราบสามครั้งค่ะกราบ กราบกราบขออาราธนาพระคุณเจ้าค่ะขอนั่งกันตามสบายได้ ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราก็มา <c oughs> เริ่มประพฤติปฏิบัติทำความเพียรกันเราก็จะมาเดินสลับนั่งแล้วก็อาจจะดูดีวดีบางส่วน <c oughs> <c oughs> เพื่อทำความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธวจนะให้มากขึ้น เ, เดี๋ยวเรามาต่อจากเมื่อตอนเช้าเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูรายการทุนไลโชว์ค้างไว้ จะมีต่ อ, อกซักประมาณ15นาที10นาทีแล้วก็มาดูให้จบกัน <c oughs> แล้วก็มาเริ่มทำความเพียรกันนะเป็นการอธิบายว่ า, าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะดับไปได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องปฏิจจสุบานเนี่ย เราจะพ้นการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ขอกราบนรำส ก, การพระอาจารย์คริสโสธิพโลที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันพรหัสวสดีที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2554ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งของการปฏิบัติธรรม ในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมพุทธวจนะธรรมวธรรมวินยะจากพุทธโอดโดยพระอาจารย์ครือฤทธิ์โสธิพโลณศูนย์วิปัสสนายุวพุทธิกะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีเพื่อปลูกฝังศรัทธาและเพิ่มพูนสติปัญญาบรารมีของผู้ปฏิบัติธรรมจึงของกราบอาราธนาพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมตามควรแก่เวลา ขอกราบระรัธนาเจ้าค่ะจะเรนทรยอดเยิ่ ย, นนยทุกคน <c oughs> คงได้ปฏิบัติกันมาพอสมควรนะันนี้ ก็มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะช่วงนี้มาปฏิบัติกันหลักๆ ก, ก็พระศาสดาก็ให้ตั้งจิตอยู่กับกายของเรากายยะคตาสติซึ่งจะอยู่กับลมหายใจก็ได้นะการเคลื่อนไหวเอรีบดก็ได้หรือการทำงานในปัจจุบัน ที่พระองค์เรียกอนุสติฐานที่6ที่ตรัไว้การพระอานุน <c oughs> ปกติจะมาตอบคำถามให้พวกเราไม่มีคำถามเลยไม่รู้จะ <c ười> คุยอะไรหรือมีใครจะถามสดตอนนี้ั้มเชิญ ขอาการครบับผมได้ปฏิบัติ <c oughs> ได้สนทนานกับพระ น, า น, า น, าน่น ะ, ระครับสนทนากับไกลณพระครับพระ <c oughs> <c oughs> ก็ผมก็ก็พอรู้พื้นเตนบ้างเรื่องพุทธศาสนะก็ได้รับคำแนะนำจากที่วันนาปากงนี่นะคะรับพอดีผมไปปฏิบัติแล้วก็เจอพระที่ปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็เขาก็ พูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุปใหม่ๆว่าว่าได้มาพบอ่าอุปาชีวกะอืถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็อธิบายบอกว่าอันเนี้เป็นความผิดพลาดของพระพุทธเจ้าแล้วที่ว่าเพิ่งตัดสรู้มาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ถ่ายทอดบอกสอนไปแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ว่าแบบว่าเหมือนกับเขารับฟังไม่ได้ แต่ผมเองผมก็มีความขัดแย้งอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้เลยอยากขอความประจากับทีอ๋อเขานี่คือพระอธิบายให้โยมฟังอย่างนั้นหรอครับมอ๋อโอ้โหขาดความเชื่อมั่นในศาสดาตนเองนะว่าพระเจ้ายังมีข้อปกพล่องเป็นข้อผิดพลาดของพระศาสดาพระเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะแสดงว่ายังมีความหวั่นไหวในความสามารถของพระตถาคต เป็นพระเองยังไม่มั่นใจในศาสดาตัวเองนะในความเป็นผู้เจ้าพระองค์ก็บอกพระองค์เป็นสัพพัญยูรู้ทุกเรื่องนะก็ไม่มีอะไรนี่ก็บุคคลมีหลายประเภทนะเยอะผู้เจ้าก็จัดไปแล้วนะที่บัวสามเหล่านะใต้น้ำปิมน้ำพนน้ำ หรือเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวก <c oughs> นะหรือเหมือนคนสามกลุ่มที่ไม่ต้องฟังธรรมรู้ได้ยินธรรมก็สามารถบรรลุได้ครับมีกลุ่มของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกแล้วก็พระปัจเจกั น, ะกจจกนที่สองแล้วก็ในกลุ่มคนที่ต้องได้สดับในธรรมเท่านั้นนะถึงจะได้รู้ธรรมได้ นั้นคนที่มีทุลีในดวงตา ม, มากฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจการที่ไม่เข้าใจไม่ใช่ความผิดพระพุทเจ้าเพราะก็มีคนเยอะแยะที่ผู้เจ้าแสดงธรรมแล้วไม่ได้บรรลุอีกเยอะก็มีที่บรรลุอีกเยอะก็มีซึ่งก็มีคนถามผู้เจ้าเหมือนกันว่าทำไมผู้เจ้าก็ยังอยู่ธรรมะที่พระองค์แสดงทาไมคนมันบรรลุไม่ได้หมดเนี่ย ผู้เจ้าก็เลยย้อนถามเข้าไปว่าเธอชํานาญทางไปเมืองราชฤกษ์ใช่ไหมแล้วเธอก็บอกเป็นอย่างดีก็มีคนหลงบ้างไปถึงบ้างแล้วเธอจะทํำยังไงทั้งที่เธอผู้บอกก็ยังอยู่เส้นทางก็มีอยู่แต่คนมันก็หลงเขาก็บอกเขาเป็นเพียงผู้บอกเขาไม่ได้เป็นคนเดินผู้เจ้าก็บอกเหมือนกันพระองค์ก็เป็นเพียงผู้บอกคนเดินก็ หลงบ้านถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วแต่อินทรียบารมีที่พระองค์น้อมใจมา <c oughs> แสดงธรรมก็เพราะว่าพระองค์เห็นแก่ผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสเมื่อได้ไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมนะมีความพร้อมที่จะบรรลุทำได้แต่เขาไม่ได้สร้างบารมีบารมีมาเป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกตรัสรู้เองไม่ได้ ต้องได้ยินได้ฟังทำแม้เพียงหนึ่งบทนะถึงจะบรรลุธรรมได้ก็ไม่มีอะไรนี่แต่ไม่ใช่ความผิดพระพุทธเจ้านะแล้วก็มีมีมีอีกอมีที่หนึง่งก็พระอีกคนต่างต่างวารรคกันมีอะไรนะอีกที่นึงมายมีที่หนึง่งอีกเรื่องหนึง่งท่านจะพูดว่าพูดว่ า, พ, วาพระพรุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้สอน อสุภะเนี่ยแล้วทาให้พระเนี่ยพิจารณาพิจารณาจนเกิดความเบื่อหน่ายมากจนแบบฆ่าตัวเองตายมั่งจ้างคนอื่นมาฆ่ามั่ง uh huh. จนจนจนรู้ึกว่าบอกว่าอัญญะพระพุทธเจ้าได้สอนผิดแนวทางแล้วจนจนมาพระพุทธเจ้าก็เลยแบบมาปรับเปลี่ยนใหม่มาปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นมรรคอื่นผมไม่แน่ใจว่ามรรควิธีอะไรอันนี้ผมว่าไม่รู้จะแ ย, ย้งยังไงนะผมว่ามันก็แย้งแย้งจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อพระพุทธเจ้าจะมา สอนผิดอย่างนี้ในเมื่อความสามารถของเจ้าเนี่ยในวัจีสังคัญมีตั้งสามอย่างใช่ไหมครับก็เลยมันขัดแย้งก็เลยงงงอยเลยอยากเรียนถามอาจารย์ครับนี่เราไปฟังสาวกพูดวิเคราะห์กันนะโดยที่สาวกคนนั้นเนี่ยไม่ไม่รู้คำพระศาสดาจริงๆแล้วก็คิดปรุงแต่งเอาเอง เรื่องธรรมดาของปุรุชนที่เขาคิดปรุงแต่งไปนะครูเจ้าเลยบอกอย่าไปฟังความเห็นของคนนั้นคนนี้เพราะนั้นถ้าจะ <c oughs> ต้องการเข้าถึงความไม่ตายก็อยู่ที่โยมมีศรัทธาในใครพระองค์นั้นเนี่ยเข้าถึงความไม่ตายได้หรือเปล่าตัวเองใช้บาตรจีวรของใครบวชเข้ามาในธรรมวินัยเนี่ย มาศรัทธาพระเจ้าหรือมาศรัทธาใครอย่างนั้นก็ออกไปประกาศศาสนาเองสิใช่ไหสร้างมรรควิธีเองถ้ายังไม่มั่นใจในพระพุทธเจ้านั้นพร <c oughs> ะตถาคตก็เลยบอกว่าสุตตันตะเราใดเนี่ยที่นั ก, กวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกากรมีเอกสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิ จ, จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคากล่าวของสาวกสาวกพูด หรือคนแต่งขึ้นใหมนะ่เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเรานำมากล่าวอยู่เธอจับไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยวหูฟังไม่ตั้งจิตเพจะรู้ทั่วถึงและจากไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนยมไปเงี้ยวหูลงฟังในคำที่ไม่ใช่คำภาษาสดาก็เลยมานั่งคบคิดมีปัญหาเอ๋ออะไรจะทำยังไงใช่มเราศรัทธาใครเราฟังคาพูดคนนั้นเราไม่ไม่ไม่ได้ไปฟังคาพูดคนอื่นนะ ถ้าโยมฟังคาพูดคนอื่นแสดงโยมศรัทธาเขาโยมก็ต้องใช้เขาเป็นเครื่องนําทางไปไม่ใช่ใช้พระาศาสดาถ้าจะใช้พระาศาสดาก็คือฟังธรรมะพระาศาสดาที่ออกมาจากปากของพระองค์ อ, อย่างนี้พุทธเจ้าตรัสอีกว่าส่วนสุดตนตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุดเนตาเมื่อมีผู้นําสุดตนตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพืจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเราเรียนนะั้นในศาสนาพุทธเราฟังแต่คำพระศาสดาอย่างเดียวความเห็นมันมีเยอะแยะมีใครเพิ่มเติมไหม เชิญขอใหม่ข้างหลังค่ะคเต้กราบนมัสการพระอาจารย์ลพนาสงฆ์พอถามเกี่ยวกับเรื่องสัมมาสังกัปปะนะคะที่พูดถึงเรื่อง ก, การออกจากการดําริ์ที่จะออกจากกรมพยาบาทแล้วก็ความเบียดเบียนเนี่ยในในไม่ทราบว่ามีส่วนขยายเพิ่มเติมไหมคะว่า ในเรื่องของการความพยาบามและก็การเบียดเบียนเนี่ยมันมีระดับชั้นลึกตื้นยังไงบ้างคือเขา้าใจว่ามันคงมีหลายระดับทีนี้ในส่วนการที่เราจะมาพยายามที่จะดำลี่ออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันต้องน่าจะเป็นเรื่องที่มันมันทำได้หลายระดับนะคะท่านไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้มีคําอธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่า ก็โยมก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของกรรมที่พระเจ้าให้คําจํากัดความไว้แล้วว่าความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกทั้งหลายนั้นหาใช่กามไม่นะนั้นความกําหนัดไปตามอํานาจความตริตรึกความกําหนัดคือพอใจไปตามอํานาจความคิดคือสังกับ ร, ราคะนี่นแหละคือกรรมของคนเรานะอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้น อารมณ์ในโลกเนี่ยมันก็มีอยู่ของมันจะความสวยความงามไม่งามนะผู้เจ้าจึงบอกบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นเรามีหน้าที่นำออกซึ่งความพอใจในอารมณ์เหล่านั้นและอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของกามคือตัวกามทธาตุกามธาตุคืออะไรคือดินน้าไฟลมสีธาตุที่ผูเจ้าตรัสว่าเพราะมีกามธาตุนะจึงมีกามสัญญามีกามสังกปะ แล้วมีเวทนา เ, นเหตุปัจจัยของมันไล่าตามไปเรื่อยๆนั้นผู้เจ้าจัดตัวกรรมธาตุคือตัวดินน้ําไฟลมร่างกายของเราในห้าอายณนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นที่ตั้งของกรรม <c oughs> <c oughs> ก็คือจัดจัดกลุ่มอะกลุ่มของรูป ก, กายเนี่ยนะเป็นตัวกรรมธาตุในการวางกา ร, รมพยาบาท เ, เปลี่ยนแกรรมก็ ความยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางเนี่ยเกิดความยินดีมารีบวางนะพยาบาทเบียดเบียนเราคิดพยาบาทผูกโกรธใครผูกอาฆาตใครแล้วก็รีบวางคิดจะไปเบียดเบียนใครแล้วก็วางซะสามความคิดนี้พระเจ้าจัดเป็นอกุศล น, นะถ้าวางสามความคิดนี้แล้วเนี่ยก็เป็นจิตที่พร้อมที่จะ พิจารณาธรรมะละให้เห็นการเกิดดับของขันธ์ห้าแล้วก็สามารถเข้าวิมุตติได้ที่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องของการสิ้นอาสวะพร่อยสัยปฐมฌานนะก็คือวางอคุสมิโตกแล้วก็ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าต่อไปพระองค์ก็บอกเธอดำรงจิตในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทเนี่ยย่อมถึงความสิ้นแปลงอาสวะนั่นนี่คือสมาธิขั้นต่าสุดที่ เราจะใช้ก็เพียงพอแล้วนะอาุศนก็จะโยงไปเรื่องของนิวรณ์หได้นิวรณ์หก็คืออาุศลนะอาุศลที่แท้จริงคือตัวนิวรณ์หนะก็จะเหมือนกับตัวกรร า, ารปฏิบัติเปบียนเนะพียงแต่เรียกกันคนละอย่างก็มีกรรมฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธจาอวิชา อุทจารกุจาวิจิขิจารความสงสัยลังเลนะ <c oughs> มีหลายระดับไหมก็ในความรู้สึกเราก็คงจะมีหลายระดับเหมือนกันแรกแรกเวลาเราคิดปรุงอย่างหยาบๆยาเนี่ยเราก็ค่อยๆทิ้งไปพอเราทิ้ง เรื่องหยาบหยาบได้ต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นอาการจิตแม้นิดเดียวเกิดความรู้สึกงุดหงิดนิดเดียวเราก็รู้แล้วว่าอ่อนี่ น, ะ, นะเป็นความพอใจไม่พอใจลทะท่นี้เป็นความพอใจไม่พอใจในอะไรในส่วนอายณะห้าของกายหรือว่าในส่วนของธรรมอารมณ์ของจิต น, นี่ต่อไปก็จะแบ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระนาคามีเนี่ยจะวางห้าอายณะของกายได้แค่นั้นส่วนทาง ธรมรมะลบเนี่ยยังวางไม่ได้อันนี้ก็แบ่งอย่างนี้หรือโสดาบันก็จะเปลี่ยนได้แค่ความเห็นเป็นความเห็นที่ถูกต้องว่าขันธ์ห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราขันธ์ห้าแปลเปลี่ยนไม่เที่ยงอันนี้ก็จะเป็นระดับของการละวางโสดาสกิทาคาเปลี่ยนแค่ความเห็นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิคือความเห็นเท่านั้นสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิความเห็นว่า ขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเนะีเกิดดับได้แต่ยังปล่อยวางไม่ได้นะนั้นถ้าเราเราแค่รู้ว่าเอออันเนี้ยเป็นความยินดีในรูปเสียงกินรสเราก็วางไปซะอันนี้เป็นความไม่พอใจเป็นความปยิยบาดเป็นความที่คิดเปลี่ยนเดี๋ยวก็มีหน้าที่วางรู้ตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยวาง ไอ้ความคิดที่ไม่รู้นะก็คือเรารู้ไม่ทันหรือมันเป็นกิเลสที่ละเอียดมากขึ้นเราก็เลยรู้ไม่ทันเราก็เอาทันเท่าที่รู้รู้มาปั๊บอันนี้เราก็ทิ้งไปแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจของเราแค่นั้นเองนะหลักการของสัมมาสังคัปะก็มีเท่านี้นะแม่นอนอยู่ผู้เจ้าบอกภิกษุแม่นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเกิดความคุ้นคิดในทางการ ในทางเดือดแค้นในทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาเธอก็ไม่รับเอาความคุณคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกไปนะนะทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลมิตกเหล่านั้นภนะิกษุที่เป็นแม่แมเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เป็นไงเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียเนเผากิเลตอยู่ตลอดเวลาอลร่บทใดก็ได้ขอให้โยมทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ได้แล้วเรียกว่าจเจริญมัคคิงแข้อที่2 ซึ่งโยมจเจริญมัสมีองศาทข้อที่สองเนี่ยสัมมาสังปราเนี่ย <c oughs> ผู้เจ้าบอกเธอนั้นเนี่ยได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยโยมจเจริญสัมมาสังกปรานะโยมได้สัมมาทิฏฐิความเพียรของเธอนั้นเนี่ยเป็นสัมมาวายมะโยมได้สัมมาวายมะอีกนะสติของเขาเนี่ยเป็นสัมมาสติเพราสติเนี่ยเปรียบเหมือนผู้เจ้าเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้าเมือง และอนุ ญ, ญาตให้คนดีเข้าเมืองได้นะเพราะนั้นสัมมาสติในที่นี้ก็คือไม่อนุญาตให้อกุศลเข้ามาในจิตไม่ดงังไม่พลอยนะคะใช่ตอนนี้เนี่ยรวมไปถึงในระดับของจิตด้วยั้ยคะคือต้องรักษาศีลในระดับของจิตด้วยั้ยคะคือการกระทำเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ทาอยู่แล้วแต่ว่าจิตเนี่ยอาจะตัวศีลคืออะไรล่ะศีลคือข้อปฏิบัติกายกวาจาพุทธเจ้ญญาบอกข้อปฏิบัติกายวาจาไม่ผิด โยมบอกจิตด้วยไหมอ๋อก็นี่เขาบอกว่าข้อปฏิบัติกายวาจาพอไปพูดศินเนี่ยโยมก็ไม่รู้คําแปลโยมก็ไปคิดอถามจิตด้วยไหมก็มันแปลว่าข้อปฏิบัติกายกับวาจากายวาจาไม่ผิดน ะ, <c oughs> นะเห็นนะโยมไปถึงคําถามเก่าวของโยมผู้ชายเมื่อสักครู่อีกทีหนึ่งหลังจากที่วิสูข่าตัวตายมาแล้วเนี่ย ผูนะ้เจ้าออกมาจากที่วิเวกหลีกเล้นผูนะ้เจ้าก็ถามบ้านนนบอกอ๋อนนอนนท์พิสูจน์ไปไหนหมดอ่ะเขบอกฆ่าตัวตายบ้างจ้างให้เขาฆ่าบ้างผู้เจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็ห้ามพิสูจน์ฆ่าตัวตายปรับอาบัตนะิปรับความผิดถ้าใครจะฆ่าตัวตายแล้วก็ตรัสสอนเรื่องของอาณาปานสติขึ้นมานะแต่อสุภาษเนี่ย ก็ไม่ใช่มรรควิธีที่ไม่ถูกหรือไม่ดียังเป็นมรรควิธีที่อยู่ในหนึ่งในธรรมภาประการของคนเจ็บป่วยไขย้หรือทุพพลภาพรายใดถ้าไม่ห่างจากห้าวิธีนี้ผลที่เธอหวังได้คือพระอาหารหันต์ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นมรรควิธีที่เรียกว่ายังดีอยู่ยังใช้ได้เพราะคนเจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพก็ แย่แล้วนะใช้มากวิธีนี้ยังหลุดพ้นได้นะการพิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายนะมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเห็นพิจารณาเรื่องของความตายเห็นการเกิดดับในภายในเรื่อยๆนี่คือหนึ่งใน5วิธีเหมือนกัน ผู้เจ้าก็เคยสอนลาหุนเกี่ยวกับเรื่องอสุภะนะเพราะนั้นผู้เจ้าก็จะบัญญัติและพุทธนาไปตามเหตุพุทธผู้เจ้าจะมาบัญญัติอะไรล่วงหน้าทำอะไรใช่ไหมก็ทุกอย่างไปตามเหตุมีคนทูลให้ผู้เจ้าบัญญัติโน่นนั่นนี่ผู้เจ้าบอกไม่รอเหตุก่อนนะอ่าอันนี้คือลักษณะของ พระองค์ไม่งั้นอนุชนรุ่นหลังก็จะมาว่าผู้เจ้าปรุงแต่งเอาเองไม่ได้ปรุงแต่งเองอาศัยเหตุอาศัยเหตุและบัญญัติอาศัยเหตุและบัญญัติไปเรื่อยๆนะเราจะรู้ที่มาที่ไปไม่งั้นบัญญัติมาปุ๊บไม่รู้ที่มาที่ไปบัญญัติทําอะไรเพราะเหตุอะไรถึงบัญญัติเรื่องนี้เพราะหลกักธรรมผู้เจ้าเนี่ยอาศัยเหตุทั้งหมดทำทั้งหลายเกิด oh แต่เหตุก็ในเมื่อทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ แล้วพระเจ้าจะมาบัญญัติก่อนมีเหตุเกิดทำไมใช่ไหมก็อาศัยเหตุแล้วบัญญัติอาศัยเหตุแล้วบัญญั ต, เ ต, ญญติเกือบทุกอย่างนะจะมาว่าว่า เ, เหตุนั้นเกิดแล้วเป็นความบกพ้องของพู้เจ้าก็ไม่ใช่เพราะพู้เจ้ารอให้มันเกิดก่อนแล้วถึงจะบัญญัติพู้เจ้ารู้อดีตอนาคตไม่มีประมาณ อนาคตจะเกิดอะไรรู้หมดในอนาคตอดีตรู้หมดอย่างนี้เป็นผู้เดียวในโลกสาวกถึงแม้จะรู้อดีตอนาคตได้แต่ก็ไม่ไ ม, ไม่เท่าพระพุทธเจ้ามีขีดจำกัดเพราะนั้นพระเจ้าถึงให้ <c oughs> พระองค์นึงเลยได้ตรัสบอกขีดความสามารถของสาวกกับพระองค์นะว่าสาวกเนี่ยเป็นแค่มักขานุ ข, ขาผู้เดินตาม ตถาคตเนี่ยเป็นมรคันูรู้มร ก, ก่อนเป็นมรควิถุรู้แจ้งในมรเป็นมรขโควิโธเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงอะไรมรขาดูขาผู้เดินตามเท่านั้นนะเดินตามมาภายหลังตัวคําว่าสาวกก็มันก็แปลว่าผู้ฟังคําสอนอยู่แล้วไม่ใช่ผู้บัญญัติสาวกไม่มีหน้าที่บัญญัติฟังและเอาไปทําตามถ้าจะบัญญัติเธอก็ เป็นศาสดาซะใช่ไหมเหมือนปริพาโชคหรือเจ้าลทัทธิทั้งหลายนั่นคือเขาเขาถือว่าเขาคือศาสดาแล้วเขาบัญญัติทุกอย่างเองนะก็เลยต้องมีการโตวาทะปราบความเห็นกันระหว่างศาสดากับศาสดาแต่ละศาสดาก็คือแต่ละเจ้าลทัทธิกันจนกว่าใครจะมีกลุ่มมีพวกนะได้มากกว่าเพราะว่าสามารถทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในหมู่ชนได้มากกว่า เป็นสัจจะมากกว่าที่สามารถตรวจสอบได้ก็จะแผ่วงขยายมากขึ้ น, นเดี๋ยวขอยมผู้หญิงข้างหลังกัอนที่ยกมือมาสักครู่ แต่เพียงท่านอาจารย์ที่เคารพนะคะอยากทราบว่าคําว่าโพชงนะคะเห็นพระอาจารย์บางองค์ออกเสียงว่าโพชงอยากทราบว่าโพชงก็ออกเสียงได้หรือว่ากับโพชงนี่มันจะเหมือนกันไหมคะอ๋อก็ต้องดูว่าจะปออกตามบาลีหรือออกตามภาษาไทย <laughs> จะเอาบาลีดูบาลีไหมล่ะลองสแกนบาลีให้ดูว่า ผู้ชมเขาเขียนยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้จะได้อ่านแบบบาลีได้นะเพรานั้นถ้าภาษาไทยมันก็แล้วแต่จะออกชอช้างด้วยไหมนะหรือจะไม่ออกอถ้าภาษาไทยนี่ผู้ชมได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ภาษาไทยมันก็หลายสํานักนะจะเอาตามราชบัณฑิตหรือเอาตามใคร แล้ว wow. มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆเหมือนกันนะคือมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวคําว่าชงเนี่ยมันชอกระเชององูคอควายกรันเป็นชงอเพราะฉะนั้นตัวชอช้างมันน่าจะไปเป็นตัวสะกดของโพดโพดนะคะอืก็เลยไม่ทราบว่าคือได้ยินภาพบางองค์พูดว่าโพชงก็เลยไม่ได้ใช้ว่าว่ายงควรจะออกเสียงแบบไหนภาษาไทยอย่าไปสนใจเลยมมันไม่ใช่ภาษาธรรมะบาลีเป็นภาษาธรรมะ แล้วพระเจ้าไม่ให้เปลี่ยนภาษาตรงนี้นะบาลีนี้ต้องออกโพชงใช่ไหมคะบาลีมีจุดตรงชอช้างต้องอ่านโพดพอโอชอโพดแล้วก็ชองอชงนะ ในบาลีเขียนโพชงเคนะโพชงเคพอโอชพอถ้าไม่มีจุดก็ต้องอ่านว่าโพชะนะอ่าพอมีจุดก็เป็นโพชงเพราะนั้นไม่สนใจว่าภาษาไทยจะอ่านอะไรบาลีอ่านอย่างนี้นะแค่นั้นเองภาษาไทยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเรื่อยๆแต่ก่อนเรียกสมดุลนะ เดี๋ยวนี้สมาดุลอีกแล้วย่อมจะไปอะไรกับมาตรฐานภาษาไทยเอามาตรฐานศ า, าสดานะอ่าอย่างนีค้คือคือบาลีนี่จะมีจุดใช่ไหมคะใช่ก็ต้องอ่านโพชงถูกต้องก็แสดงว่าถ้าเป็นบาลีนี้ไม่ใช่โพชงแน่นอนอ่ะฮะเอาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอโยมผู้ชายคนนั้นต่อ นักมาตรการขอกรารอาจารย์ครับ อ, ร อ, อย่าทราบว่าอาริยะกันตาสินเนี่ยอันนี้ก็คือในพุทธวจนะใช่ไหมอริยะอะไรนะ อ, ร, ะนนอริยะกันตาสินอริยะกันตาสินเหรอลองสแกนดูก่อนแล้วยังไงต่อนะหมายถึงอริยะกันตาสินเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าคือการใช่เป็นพุทธวจนะไหมและใช่ความหมายที่ว่า รักมุ่งที่ว่ารักษาจิตอย่างเดียวใช่หรือไม่ครับอันสุดท้ายเสียงมันก้องมันฟังไม่ชัดหมายถึงหมายถึงว่ามุง่งมุ่งมาที่การรักษาจิตอย่างเดียวใช่หรือไม่มุ่งมาที่การรักษาจิตอย่างเดียวหรอใช่ครับอ๋อสินเนี่ยเป็นอยู่ที่กายกับวาจานะแต่รักษากายวาจาบางคนเนี่ยรักษาเพื่อเป็นบุญอันนี้จะเรียกว่าเนื่องด้วยอุปธิ อย่างหนึ่งด้วยบุญและบาปแต่พวกที่รักษาสินที่เป็นแบบว่าเป็นอริยะแล้วเนี่ยก็คือรักษาเพื่อความบริสุทธิ์นะรักษาเพื่อรักษานะาเพื่อมรักผลนิพพานไม่ได้เพื่อบุญเพื่อบาปละนะส่วนจะเรียกอะไรก็ต้องเข้าไปตรวจก่อนนะมีไห ม, มะนะ แต่ต้องต้องเช็คในบาลีก่อนในภาษาไทยมีเป็นผู้ทวชนะในภาษาไทยใช่ไหมลองดูก่อนดูก่อนจุนทีนะอ <c oughs> ในภาษาไทยเป็นผู้ทวชนะแต่ต้องตรวจกลับไปในบาลีว่า <c oughs> บาลีมีหรือเปล่า <c oughs> นะจะตรวจคํานึงใช้เวลาเหมือนกันต้อง <c oughs> โยกไปโยกมานะ หรือถ้าใช้คีย์เวิร์ดผิดก็นั่งหากันบางทีเป็นชั่วโมงอยู่เอาคําถามต่อไปเลยทีนี้ทีนี้ว่าหมายถึงว่าถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้ามองหมายถึงว่าถ้าเรามองมองข้ามเรื่องรูปแบบหรือพิธีกรรมไปเลยเรามุ่งไปที่รักษาจิตอย่างเดียวเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเราไม่ได้ไปมองเลยว่าตรงนั้นเราจะอยู่มิศีลห้าศีลอะไรแต่ล้ว่าเราบุ่งไปที่รักษาจิตอย่างเดียว รูแบบพิธีกรรมอะไรละ่ะมีพิธีกรรมอะไรในการรักษาสินผู้เจ้าบัญญัติไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีผสมกันอยู่อะไรนะัะหมายถึงว่าตอนนี้มันมีผสมกันอยู่คือรูปแบบหรืออะไรต่างๆก็ผ <Creed S 2> ู้เจ้าไม่ได้บัญญัติรูปแบบนี่เราไปสร้างกันเองนี่ ة. เราก็ต้องแยกออกไปสิสินผู้เจ้าก็บัญญัติอยู่แล้วแล้วอะไร เป็นตัวที่ทําตรงนั้นผู้เจ้าบอกเรากล่าวาๆๆซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมยมตั้งเจตนาก็สําเร็จแล้วเนี่ยรูปแบบคือตั้งเจตนาขึ้นมาก็เสร็จแล้วเป็นสินอ๋อไม่ว่าว่าเราจะแต่งชุดในคารวะแต่ว่าเรามุ่งปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งมุ่งมาที่การรักษาจิตเดินตามมรรคองแปดอย่างเดียวเนี่ยมันก็สมบูรณ์ได้ใช่ไหมครับก็ได้สิหรือว่าแต่งเครื่องแบบสีสันแล้วทําความดีไม่ได้อื ม, มันไปขวางอะไรเนาะใช่อืมมันไม่เกี่ยว <laughs> ทำความดีได้ทุกชุดนะี่น ะ, ะใช้คำว่าสีลานิอริยะกันตานิภาษาไทายก็มาเขียนว่าอริยะกันตสินนะในบาลีมีโอเคไหมน ะ, น ะ, ะเดี๋ยวโยมข้างหน้านี่ใหม่ขอใหม่อยู่กันนะ นะมีหมห่แล้วนะกลับเรียนพระอาจารย์อยากเรียนถามเมื่อกี้ที่ถามเรื่องศีลนะคะที่ว่าถ้าไม่ให้ไม่ด่างไม่พลอยไม่ทะลุใช่ไหมคะคืออย่างยกตัวอย่างว่า อ, อย่างเวลาอยู่บ้านบางทีอยู่ในครัวค่ะมันจะมีมดเดินทีมันก็เปียกแล้วเราก็เช็ดโดยที่เราไม่รู้ว่าบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นมดก็เช็ดไป อาจจะตายหรือไม่ตายไม่ไม่ไม่ทราบอย่างนี้ถือว่าก็ดูเจตนาเราว่าเราเราเจตนาจะฆ่ามันหรือเราเจตนาจะเช็ดพื้นะคืออย่างนี้คืออย่างอย่างบางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยตาสายตายาวก็มองว่าตัวเล็กๆคิดว่าเป็นขี้ฝุ่นหรืออะไรก็ปัดไปแต่จริงๆเป็นมดอ่ะฮะก็เจตนาไงอย่างนี้ก็ถือว่าเจตนาตัวเองนะอ๋อก็ก็ไม่ได้เจตนาออื ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ผิดศีลใช่ในเรื่องของกรรมผู้เจ้าก็ตัดไปแล้วโยมก็เอาบัญญัติผู้เจ้ามามาวัดสอบสิอะไรคือกรรมผู้เจ้าบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมก็กลับไปสำรวจเจตนาตัวเองนะ่มีเจตนาอยากจะฆ่ามันไม่ล่ะคือ<ม>ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเราก็ต้องใช้ความสังเกตอันนี้คือเราต้องใช้ก็สังเก ต, ตที่จิต<า>ตัวเอ ง, เองใช่คะใช่ใช่ โยมขับรถกลับบ้านเวลากลางคืนมแมลงตายติดหน้ารถเต็มเลยใช่ไหมโยมเจตนาจะขับรถไล่ฆ่ า, มาแมลงไหมเออคืนนี้ขับรถไล่ฆ่ า, มาแมลงหน่อยก็ไม่ใช่ก็จะขับรถกลับบ้านแต่มแมลงมันตายทำไงอะโยมไม่ต้องกลับบ้านนะนอนที่ทำงานน่นนะน่ขอเรียนถามอีกข้อนะคะอย่างขณะที่เรานั่งสมาธิะคะ่ะ hmm. ออตามดูลมหายใจเนี่ยแล้ว คือรู้ลมที่ตามที่ที่บอกว่าที่พูเจ้าบอกว่ามีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกอะไรนี่ใช่ไหมคะใช่คือขณะที่เรารู้เนี่ยลมหายใจบางทีมันมั น, ม, นมันไม่สุดเห mm hmm. มือนพอพอรู้ไปเสร็จมันก็จะมีการภาคหรือ ม, มีมีความคิดอะไรเข้าไป mm hmm. แต่มันก็ยังรู้อยู่ <c oughs> มันเหมือนแบบรู้อ่อนๆรู้แบบ mm hmm. ไม่ ไม่ชัดแต่บางครั้งก็พอนั่งไปบางทีมันรู้ว่าฟุ้งอยู่บางทีก็ก็รู้ไปฟุ้งบ้างรู้บ้างฟุ้งบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแต่พอบางบางบางช่วงก็จะเห็นลมหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็มีความคิดเข้ามาแวบหงแป๊บหนึ่งก็ก็ก็ดับได้อะไรอย่เงี้ยแต่บางทีก็ยาวบ้างสั้นบ้างไอช่วงความคิดตรงนี้เนี่ยใช่วิตกวิจารหรือเปล่าอืม มันคิดเรื่องอะไรต้องเป็นเรื่องๆอถ้าเรื่องการปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยก็ไม่ใช่วิตกวิจารณ์เป็นการปฏิบัติเปลี่ยนเป<า>ี่ยนเพราะพระพุทธเจ้าจัดกลุ่มของความคิดไง<า><า>ความคิดประเภทนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไ<า>ล่ไปเรื่อยๆวิตกวิจารเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดธรรมะขึ้นมาเช่นพิจาณาในเรื่องปฏิจจ<า>เรื่องอสุภาอาหารเป็นปฏิกูลอะไรอย่างนีนะ้ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ก็จะไม่ใช่แล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็น อกุศลหรือเปล่าหรือเป็นกุศลหรือเปล่านี่ก็มไมใ่ใช่ใช่ไหมคะจะจัดเป็นอกุศลไปใช่ไนะเอ๊ะเดี๋ยวคิดเอเมื่อวานไปทานอาหารร้านโน้นอร่อยนี่ก็ยินดีในทาง อ, อายนาทางลิ้นละเนอืยอก็ต้องทิ้งไปไม่แต่แต่จะงสงสัยเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องลมอะคะ่ะอย่างบางทีกําลังหายใจอยู่เอ๊ะอย่างนี้อะไรอย่างนี้สงสัยอยู่ตรงหน้าขณะตรงตรงที่อเรื่องลมหายใจหรือว่า อะไรสุดหรือยังหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมันก็ก็เลยไม่แน่ใจถ้าจะธรรมวิจยะเนี่ยค <c oughs> ่ายควรสอดส่องธรรมก็ต้องมาค่ายควรในกรอบของอริยสัจกรอบของขัน <c oughs> ห้าไอการที่ลมเอ๊ะมันจะเข้าสุดไม่สุดไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปเรียกว่าวิตก <c oughs> วิจารอะไรเ <c oughs> พราะพระเจ้าให้ระงับจิตตสังขารหยุดการปรุงแต่งของจิต รู้แค่ว่าลมเนี่ยมันไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะเราก็ทําแค่นี้ไม่ได้บอกว่าต้องไปสุดที่ท้องอยู่หน้าอกลิ้นฟิบปากจมูกสะดืออะไรอย่างนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเราก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไระรับข้อมูลแค่พระเจ้าตรัสไว้ว่า หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้กพแค่นั้นแล้วก็หยุดการปรุงแต่งของจิตไม่มีคำพูดอะไรในใจรับรู้สึกเฉยๆลมที่ไหลเข้าไหลออก ค, อคือจะต้องนั่งให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมครัช่ใช่ขอบพระคุณค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะ หนูอยากจะออสอบถามเกี่ยวกับเรื่องว่าหลังจากเราทําบุญแล้วเนี่ยเวลาอธิษฐานหลังจากอะไรนะหลังจากทําทานแล้วะคะ่ะเวลาอธิษฐ า, านจิตนะคะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไว่ายังไงเพราะว่าหนูเคยได้ยินมาว่าการอธิษฐานจิตอย่างเวลาเราไปทําทานเราขอให้เ อ, อชาติหน้าเราเกิดมาสบายกว่านี้กับคนที่หวังที่จะเข้านิพพานการอธิษฐานจิตก็จะการอธิษฐานหลังจากทาทานแล้วจะไม่เหมือนกันนะคะ มันแล้วแต่เรื่อง <c oughs> เรื่องการอธิษฐานจิตตั้งการตั้งความปรารถนามันจิตปาถาร้อยคนก็ร้อยแบบแต่ถ้าจะให้อธิษฐานจิตเนี่ยผู้เจ้าจะให้ตั้งอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสี่ละจกเหือแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุได้ด้วยกําลังด้วยความเพียร ด้วยความบากบันของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีอธิษฐานในเรื่องความเพียรว่าเราจะไม่หยุดความเพียรถ้าเรายังไม่สําเร็จประโยชน์ที่เราตั้งเอาไว้ น, ะนั้นไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมยมสําเร็จหมดถ้ายมตั้งจิตอธิษฐานเรื่องความเพียรนะเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตอย่างนี้นะถ้าจะอธิษฐานในแบบที่พระเจ้าแนะนำใช่ไหมเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อ มรรคผลนิพพานนะคือความไม่ตาย <c oughs> ที่พูะุทธเจ้าบอกว่าเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐนะคนเราส่วนใหญ่ไปสแสวงหาของที่ไม่ประเสริฐของไม่ประเสริฐคือหลายรพุทธเจ้าบอกว่าไปสแสวงหานะบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกรแพ้แก่ไก่สุกรช้างโคมา้าลาเงินทองลาบยศสรรเสริญซึ่งมันเป็นของตายหมดเลยของเกิดของตาย ของเกิดของดับเราเองก็เป็นของเกิดของดับยังไปสแสวงหาของเกิดของดับอีกพระองค์ก็เลยบอกว่ามันยังไม่ประเสริฐต้องสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือความไม่ตายโลกุตรธรรมนะสแสวงหาธรรมะที่ไม่ตายอันนี้คือการสแสวงหาที่ประเสริฐดงนั้นเรากำลังเดินไปสู่ความตายซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วินาทีไหนก็ไม่รู้ ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยประมาทต่อความตายเพราะฉะนั้นถ้าคนพิจารณามรณสตินะอยู่อย่างได้ผลหรือเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันได้ผลเนี่ยคนคนนั้นผู้เจ้าบอกเขาจะรู้สึกเหมือนมีเพชฌฆาตเนี่ยเงื้อดาบอยู่หน้าเขาตลอดเวลาเลยพร้อมที่จะฆ่าเขาให้ตายเพราะนั้นใจเขาก็จะตั้งใจอยู่กับ ก, บการปฏิบัติภาวนาอย่างนี เพราะเขาคิดว่าความตายนี่มันเกิดขึ้นกับเขาได้ตลอดเวลานะแล้วโยมก็ต้องรู้ว่าการตั้งจิตอนิษิฐานอะไรก็ตามมันจะสำเร็จได้อย่างไรสำเร็จแค่เรื่องทานได้ไหมก็ยังไม่เพียงพอคูณเจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใด เอกลัปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศต้องการมีคนรักต้องการมียานอย่างรล้วอดีตอนาคตต้องการสิ้นอาสวะอะไรก็ตามให้เธอทําอะไรให้เธอทําให้บริบูรณ์ในสิ น, นทําสินให้ดีเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานคือสมาธินั่นเองไม่เหินห่างจากฌานไปดูอีกพรสูตรซีพระเจ้าตรัสอะไรพระองค์บอกว่าการรู้ลมหายใจแม้ชั่วเวลารัดนิ้วมือเดียว เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วเห็นนะมอนาปาที่ตัดกับพิสุถ้าพิสุเจริญอนาปานสติชั่วการแค่เอานิ้วมือมาลัดแค่นี้ปั๊บกลับไปสองข้อละข้อที่สามผู้เจ้าบอกว่าประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและอย่างที่สีให้สุญญาคละวัดงอกงามเถิด วิเวกหลีกเล่นบ้างอยู่เรือนว่างโคนไม้ท้องถ้ำเชื้อเงื่อมผาป่าช้าป่าชาัาชาดที่แจ้งลอมฟงังน่นคือที่วิเวกที่พระเจ้าต้องการให้เข้าไปอยู่สุนยาคารสี่อย่างนี้ถ้าเราทําได้เนี่ยพระเจ้าบอกปรารถนาอะไรเธอสําเร็จหมดนี่คือเหตุปัจจัยของการได้มาหรือให้ได้สําเร็จซึ่งความปรารถนานทานอย่างเดียวยังไม่พอ นะอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับอธิษฐานมีเพิ่มเติมไหมท่านทัดห อ, อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมหาสุญญาตาค่ะไม่ทราบว่าท่านตรัดไว้ว่ายังไงใ น, ในมุมมองนี้ค่ะผู้เจ้าตรัดอย่างไรใช่ไหมสุญญาตาเนียมีปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินแต่ว่าเป็นชื่อแทนนิพพาน ซึ่งก็ผู้เจ้าก็ใช้อยู่นะแต่ในพระสูตรอื่นผู้เจ้าก็ใช้สุญญาตาเหมือนกันสุญญาตาเป็นเลยเป็นคำที่ใช้กว้างตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตเตยฌานจตุตฌานอากาสานัญจาชนะถึงสัญญาเวทิตตนโลสมาธิเก้าระดับเรียกสุญญาตาได้หมดเลยจนกระทั่งถึงนิพพานก็คือสุญญาตา สุญญตาคือว่างว่างจากอะไรว่างจากอคุสนผู้เจ้าเรียกปฐมฌานว่างจากวิตกวิจารณ์เรียกทุติยฌานว่างจากปิติเรียกตติยฌานว่างจากสุขเรียกจตุตฌานว่างจากรูก ป, ประสัญญาการหมายรู้ในรูปเรียกอากาสาานญจายตนะว่างจากอากาสาขึ้นมาอากินจัญญาจตนะไล่ลําดับไปเรื่อยๆนะพอว่างจาก สัญญาว่างจากเวทนาอีกสองขันก็เป็นสัญญาเวทิตานิโรธว่างจากขัน5เป็นนิพพานนะนั้นมหาสุญญาตาของเราก็คือคำหนึ่งที่พูุทธเจ้าเรียกว่าปรมานุตละสุญญตาสุญญตาเป็นอนุเลยนะนั้นสุญญ า, าก็มีหลายระดับนะตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป ความหมายพวกนี้เราจะไม่ทราบเลยถ้าเราไม่ศึกษาพุทธวจนะแล้วเราจะฟังคำคนโน้นคนนี้มันไม่ใช่มาตรฐานเขาไม่ใช่สัพพัญญูที่จะบัญญัติอะไรได้ก็พูดกันไปตามภาษาการปรุงแต่งของเขาหรือพูดตาตามครูอาจารย์ตัวเองไปท่านท่านคะหนูสอบถาม น, นิดนึงค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยนั่ง แล้วเห็นว่ารู้สึกเหมือนกับว่าธรรมชาติกับเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เหมือนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเป็นความว่างเปล่าตัวตนก็ไม่มีแล้วก็ธรรมชาติก็คือความว่างเปล่าอเงี้ยเป็นหนึ่งเดียวกันนี้คือเป็นความหมายของสุญญาตาไหมคะพระเจ้ า, าไม่ไม่กำหนดนิยามอย่างนั้น <c oughs> นิยามอย่างนี้ส่วนใหญ่สาวก พ, พูดกันนิยามพระเจ้าจะพูดชัดเจน สมาธิความตั้งมั่นในแต่ละระดับคุณสมบัติอะไรตัดชัดเจนตัดเหมือนกันทุกครั้งไม่ว่าจะพูดกี่เที่ย ว, วยนี่สาพวกพูดเองเพราะฉะนั้นโยมต้องกลับไปดูว่าสมาธิเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราอยากจะวัดสอบว่าอยู่ขั้นไหนโยมเป็นหน้า ง, งานสัมมาสมาธิกาทั้ง9้าระดับที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นั่นน่ะคือตัววัดสอบว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ขั้นใด และถามว่าเป็นนิพพานไหมยังไม่เป็นเช็คอย่างไงดับได้ไหมล่ะถ้ามันดับไปแล้วก็จบไปแล้วเป็นสังคต ธ, ธรรมเกิดแล้วดับแล้วสังคต ธ, ธรรมเกิดดับหมดนะถ้านิพพานไม่เกิดไม่ดับนะหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติอะไรธรรมชาติที่เราจะไขว่คว้าหรือเปล่าเราขว่คว้าอะไรเรากำลังสแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ ธรรมชาตินั้นยังเกิดดับอยู่ไหมถ้ายังเกิดดับก็ไม่ใช่มีธรรมชาติอันละเอียดประณีตเยอะแย ะ, ยะในสังคต ธ, ธรรมทําฝ่ายเกิดดับเยอะแยะเลยซึ่งฤาษีโยคียเขาก็คิดว่านี่นิพพานทั้งนั้นนะใช่ไหมอาจารย์พระเจ้าได้อากินจัญญายัตนะได้เนวสัญญานาสัญญาจันนะก็บอกนี่คือสุดยอดแล้วนิพพานของเขาละเนี่ยหนึ่งเดียวกับธรมธรมชาติคือธรรมชาติอันเป็นเนวสัญญานาสัญญายาัตนะ ก็ต้องถามคุณสมบัติเนี่ยว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรคือการไม่เกิดไม่ดับหรือเปล่าใช่ไหมต้องวัดกันที่คุณสมบัติอุปาโทปัญญาจิตหรือเปล่าเกิดปรากฏไหมวายโยหรือเปล่าเสื่อมปรากฏไหมหรือธรรมชาตินั้นเนี่ยณนะอุปาโทปัญญาติไม่ปรากฏมีการเกิดณับนะวาโยปัญญาติไม่ปรากฏมีการเสื่อมแค่นั้นเอง คำศาสดาคือมาตรฐานไม่งั้นโยมจะไม่มีเกณฑ์อะไรวัดสอบเลยและในขันห้าขันใดดับเป็นขันสุดท้ายในสมาธิขั้นสูงระหว่างสัญญากับสังขารครับ อ, อันนี้ก็มีหมดอยู่แล้วมีคนถามผู้เจ้าแล้วว่าจิตหลงอะไรนอกจากขันท้าไหมผู้เจ้าบอกไม่มี มีแค่ขันห้านะอันนี้เราก็จะมีบรรจัดเพิ่มกันเยอะแยะน่ะในขันห้าขันใดดับเป็นขันสุดท้ายในสมาธิขั้นสูงระหว่างสัญญากับสังขารโยมก็ไล่ไปสิปฐมฌานอะไรดับ <c oughs> พอครบฌานที่สี่พอจะขึ้นอาคาสาอะไรดับพระตะถาคตบอกรูปประสัญญาดับอ่าในขันห้าดับลูปไปได้หนึ่งนะ ไล่ไปเรื่อยๆอาการสาวิญญาอากินเนวะสัญญายังเป็นสัญยังเป็นสัญญาสมาบัติทั้งหมดเวทนาสัญญายังมีอยู่ขันอีกสียังมีอยู่พอขึ้นระดับที่เก้าสัญญาเวทิตานิโรธชื่อสมาธิบอกอยู่แล้วสัญญาเวทยิตเวทยิตะคือเวทนาสัญญาและเวทนานิโรธคือดับดับสัญญาดับเวทนาได้อีกสองขันนะ รูปดับไปแล้วหนึ่งดับสัญญาดับเวทนาได้อีกสองขันดับเป็นสามขันเหลืออะไรเหลือวิญญาณกับสังขารตกลงแล้วคาถามนี้สัญญากับสังขารอันไหนดับไปก่อนสัญญาเหลือสังขารเกาะอยู่กับวิญญา ณ, รญญาณปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณปรุงแต่งว่าอะไรพุทธเจ้าบอกอัสมีติเรามีอยู่นี้เป็นเราแค่นี้เองปรุงแต่งนี่ดียนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทดับหมด อย่างนี้นี่คือสัญญาเวทิตนิโรธนะซึ่งก็ยังไม่ใช่นิพพานนะถามว่าพระริยบุคคลได้ไมนะั้ยโอ้โหไม่ได้เยอะแยะเลยระดับอารูปเนี่ยตั้งแต่อากาาสาขึ้นไปเนี่ยเป็นสมาธิที่ยากมากพระริยบุคคลขนาดเป็นพระหลานยังไม่ได้กมนะ็มีนั้นถ้าเรานิยามว่าสมาธิเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ มันไม่ใช่นิยามสมาธิอะไรสักขั้นหนึ่งเลยไม่มีอะไรเลยมันต้องชี้แจงได้ว่าอะไรดับอะไรดับอะไรดับดับอะไรไปได้นั้นเวลานั่งสมาธินั่งสังเกตอะไรหนึ่งอันดับแรกอคุศนมีไห้ในใจไม่มีไม่มีได้ลปะปฐมฌา น, นวิตกวิจาร์มีไหมยังมีอยู่ยังไม่ได้ดับวิตกวิจาร์ได้ทุติยฌานละมีปิติมีสุข วางปิติได้ไหมวางได้ตดติยฌานวางสุขได้จดตุตฌานเครื่องเช็คจตุตฌานอีกอย่างคืออัศสาสัสปัสสาสัดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับเห็นไหมสาวกบางทีก็ไปหาพูดากายละเบิดจิตละเบิดเวิ้งว่า ง, ว, า ง, ว, างาว่างเปล่าไม่ใช่เกณฑ์เลยสักอันหนึ่งนะบุญชาก็ไม่เคยตัดเรื่องสมาธิเ ว, ว, ว, วิ้งว่างว่างเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ จะตัดบอกคุณสมบัติชัดเจนหมดนี่คือคำสัสดนะโยมไปอ่านในอุเทศแห่งสัมมาสมาธิในมัคมีวงแปดนะผู้เจ้าจะบรรยายเรื่องสมาธิไว้ทั้งหมดนะนั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่สับสนกันเยอะเพราะพูดปรุงแต่งกันไปมากเหมือ น, นโยมเคยได้ยินคำว่าคานิกะสมาธิอ่มลองสแกนดูซิผู้เจ้าเคยพูดคณิกะ ล้วก็คีย์คำว่าคณิกาสมาธิเข้าไปแล้วก็กดค้นหาไม่พบคำว่าคณิกาสมาธิในพระติปบบดกบาลีสยามรัฐไม่มีข้อมูลที่เก่าที่สุดสองพันกว่าปีไม่เคยเจอคำนี้ <c oughs> นะอุปจาระสมาธิแหละนะล้วก็คีย์เข้าไปอุปจาระสมาธิก็ไม่พบอัปนาสมาธิแหละ ไม่พบสามคำนี้พระใช้กันบ่อยเลยพระคิดขึ้นเองหรือเปล่าไม่ได้คิดเองเขาพูดมาพันกว่าปีเหมือนกันแต่เป็นถ้อยคำที่ถูกแต่งขึ้นภายหลังแต่ไม่ใช่คำศาสดาเพราะนั้นเรามีโปรแกรมตัวนี้นี่เรากำลังเคลียสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธออกอะไรที่ผู้เจ้าไม่เคยพูดไว้ทั้งชีวิตตั้งแต่ตัสรู้จนปรตนิพพานเอาออกไปก่อนไม่ใช่ศาสนาพุทธ ศา ส, สนาพุทธเราเอาแต่ศาสดาบัญญัติเข้าใจไหมอ่าเราต้องชัดเจนโยมต้องยืนเคียงข้างพระศาสดาไม่ได้ไปยืนเคียงข้างใครนะถ้ายมปกป้องโยมปกป้องคําใครอ่ะปกป้องคำพระพุทธเจ้าหรือปกป้องคําสาวกสาวกไม่มีคําสอนไม่มีการบัญญัติสาวกจำมาผิดอ่าเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าบอกว่าถ้าคําพูดไม่สอดรับกับพระพร ะ, พระตถาคตเนี่ยให้เธอรู้เถิดว่านั่นไม่ใช่คําของพระปรานคด ภิกษุลูกนั้นเนี่ยจำมาผิดแค่นั้นเองเพราะในเมื่อบัญญัติไม่ได้ใช้การทรงจำอย่างเดียวนั้นสาวกมีหน้าที่จำคำสอนพระเจ้านำมาปฏิบัติแล้วถ่ายทอดคำพระศาสดาออกไปนี่หน้าที่สาวกแค่นี้นั้นเราต้องชัดเจนในในเหตุปัจจัยตรงนี้เสีก่อนะฉะนั้นโะยมต้องรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเก่งที่สุดศรัทธาพระเจ้าในความสามารถของพระองค์ พู้เจ้ามีความสามารถสูงมากเพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยคาสาวกเมื่อพูดกันเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นไปเทียบชั้นกับคำพูเจ้าน ะ, ะซึ่งเอามาปนเปื้อนไม่ได้เลยสาวกไม่มีคำสอนมีคำสอนไม่ได้ไม่งั้นสาวกก็บัญญัติเองเป็นศาสดาเองนะเป็นผู้ฟังเท่านั้นแล้วเอาไปปฏิบัติถึงที่หมายแล้วถ่ายทอดคำผูเจ้าออกไปนี่หน้าที่สาวกนะ เ น, น, นเวลาเราไปสนใจคําใหม่เหล่านี้เราก็ใช้คําพูดหนึ่งคำพูดผิดสองนิยามผิด10บอาจารย์ก็พูดนิยามสมาธิเหล่านี้ไม่เหมือนกันเพราะพระุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติสรุปแล้วเนี่ยเรากําลังทําขัดกับพระสัสดาคือหนึ่งพระุทธเจ้าสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นไหม แต่เราไปบัญญัติใหม่ยมดูอปริหานิธรรมที่ผู้เจ้าพูดไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเมื่อไปสนใจคําแต่งใหม่คํำชื่อสมาธิของผู้เจ้าเก้าระดับถูกทอดทิ้งทันทีเลย ไม่มีพระพูดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานอาการสานันจาชนะถึงสัญญาเวทิตานิโรธคำพู้เจ้าถูกทอดทิ้งแล้วเห็นนะเนื้อไม้ใหม่ที่ทำเป็นริ่มถูกตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองแล้วซึ่งพู้เจ้าเคยบอกว่านี้คือความเสื่อมของศาสนาพุทธบริษัทด้วยกันเองเนี่ยไม่ใช่ใครทาเลยพระองค์เปรียบเหมือนกลองสึกของกรรษัตริย์ทศลาหะชื่ออาากานั่นมีอยู่ กลองอนากะศนี้เมื่อตีไปตีไปในที่สุดก็แตกเมื่อแตกกระสับกระสลาก็หาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปหรืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมก็ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้คือความอันตรธานของคําของตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยาการอย่างนี้พระเจ้าบอกเหตุปัจจัยของความเสื่อมไว้แล้ว เพราะนั้นก็ให้เราเนี่ยชัดเจนนะพระเจ้าบอกวิธีป้องกันแก้ไขบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดแค่เดินตามเท่านั้นเองนะอย่าไปสนใจคําที่แต่งขึ้นใหมนะ่นั้นสาวกยุคนี้ก็ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแล้วปิ้งคําเหล่านี้ขึ้นมาเองคําเหล่านี้ก็พูดมาพันกว่าปีแต่เป็นคําที่แต่งใหม่หรือคําตถาคตแต่งใหม่ เพราะว่าข้อมูล 2,000 กว่าปีไม่มนะีนั้นตอนนี้เราเช็คข้อมูลหมดว่าข้อมูลคุณเนี่ยแต่งมาเมื่อปีไหน100ปี200 500ปีพันปีพันห ป, 1, ปีหรือ2500ปีนั้นข้อมูลทุกวันนี้ที่เราใช้คือข้อมูล2 5 0 0นร้อยปีเก่าสุดนะแล้วเราตรวจได้ภายในวินาทีเดียวนะก็เลยอยากให้พวกเราทราบตรงนี้ว่าเราจะ ปกป้องคำพระพุทธเจ้าเพื่อให้คำพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์และอะไรที่พระเจ้าไม่เคยพูดเอาออกไปก่อนนะแค่นั้นเองอ่ะ อ, อต่อครับอนัตตากับเนเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราต่างกันอย่างไรขอยกตัวอย่างประกอบด้วยครับอ๋อ <c oughs> อนัตตากับเนเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตวนของเราคืออย่างนี้ กระดาษนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมแปลเปลี่ยนนะผู้เจ้าบอกรูปเที่ยงไหมสาวกบอกรูปไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์พระเจ้า้าคือเมื่อมันมีการแปลเปลี่ยนที่สุดมันต้องดับไหมดับนะร้อยปีพันปีกระดาษนี้ต้องหมดไปแน่นอนนะอ่โยมดูดีๆนะอันนี้มันบางมากนะ ความละเอียดมันเยอะสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอะไรอนาตตาผู้เจ้าบอกใช่ไหมอ่ามันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแล้วมันก็หายไปคือเป็นทุกคือแตกสลายสิ่งใดแปรเปลี่ยนจนกระทั่งหายไปผู้เจ้าเรียกสิ่งนั้นว่ามันเป็นอะไรอนาตตาคือตัวตนของมันเนี่ยกระดาษเนี่ยมีชั่วคราวมีมาแล้วก็หายไปสิ่งใดเป็นอนาตตาสิ่งนั้น เป็นยังไงนั่นไม่ใช่ของเราคือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนสโวมาสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานเะมโสวตาเห็นนะอนัตตาแล้วจะเห็นอะไรนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะพูเจ้าอุปมาอะไรอีกนะพระองค์บอกเปรียบเหมือนเลกวัตนะหยิบเอาใบไม้กิ่งไม้เนี่ย ลากก็ไปเผา <c oughs> ผู้เจ้าบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนกับถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไปเผาไหมสาวบอกไม่รู้สึกเป็นพ่ออะไรอะ่ะก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เราเห็นนะอ่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันกิ่งไม้เราก็เลยไม่เจ็บไงนั้นคนข้างๆโยมเนี่ยถูกลากเอาไปเผาจนเหลือขี้เท่านะสิ่งนั้นเนี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเป็นขี้เท่าโยมเห็นเขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไปเหลือขี้เท่าแสดงว่าโยมผู้สังเกตกับสิ่งนั้นเนี่ยคนคนนั้นมันเป็นคนละตัวกันใช่มอ่าเนั้นถ้าโยมเป็นคนที่ถูกลากไปเผาโยมจะเห็นขี้เท่าตัวเองมะไม่เห็นเพราะนั้นนี่เป็นอุบายที่แยบคายมากว่าถ้าเราได้สังเกตสิ่งใดก็ตามตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไป เราจะรู้เลยว่าเรากับมันเนี่ยคนละตัวกันคือนาเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นนั่นคือกิ่งไม้นั่นคือไอ้คนที่ถูกเอาไปเผาแต่นั่นของพระเจ้าคืออะไรขันห้าคือตัวเราเองที่เราบอกว่าตัวเราโอ้โหตัวเราไม่ใช่เราเรื่องใหญ่เลยนะเพราะเราชี้ออกจากตัวหมดนั่นนั่นั่นนั่น น, น, น, น, น, นไม่ใช่เราแต่พอบอกพระเจ้าบอ ก, าบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาตัวเราเองนี่ว่า ใช่ไหมเนี่ยนั่นไม่ใช่ของเราคือตัวเราขันทั้งห้าเพราะนั้นทูตเจ้าจึงให้อุบายมองเห็นนะว่ารูปเที่ยงไหมรูปไม่เที่ยงร่างกายแปรเปลี่ยนใช่ไหมผมงอกขาวฟันหลุดล่วงหนังเหี่ยวย่นไปนะไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์แตกดับรูปเป็นอนัตตาก็คือเป็นตัวตนชั่วคราวร่างกายเราเนี่ยเกิดเสื่อม ดับหายไปเป็นอนัตตาเรียกอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเป็นไงก็ร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่ตัวตนของเราพอเข้าใจมดังตรงนี้มีเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเป็นลำดับอย่างนี้และพระสูตรนี้มีเป็นร้อยๆเลยเยอะมากนะแต่ไม่มีการสอนนาเมโซอัตตาหรือเนตังมมะในยุคปัจจุบันโยมจะไม่เคยได้ยิน เนตังมะมะเนโซมาสมินัม่มโสตาแต่ผู้เจ้าตัดเยอะมากนะถ้าโยมสแกนสามคำนี้จะเจอพระสูตรเต็มไปหมดเลยนะมีไม่แพ้กันกับอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้ภูมิปัญญาเราตันอยู่แค่อนัตตาอะไเอาอนัตตาไปอธิบายนิพพานอธิบายอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะอ่นะเพราะนั้นดูจากตัวอย่างที่พระศาสดาบัญญัติ <c oughs> อนัตตามาจากเหตุปัจจัยอะไร นะเพราะเห็นทุกขังทุกขังมาจากเหตุปัจจัยไรเพราะเห็นอ น, นิจจังอ น, นิจจังมาจากเหตุปัจจัยไรอุปาโทคือเกิดปรากฏนั้นวิธีอธิบายสังฆธรรมของพูุทธเจ้าเนี่ยจะพูดอะไรเกิดดับอริยสัจสี่ใช่ไหหรือพูดกฎสังคตาคืออุปาโทปัญ ญ, ญายติเกิดปรากฏวโยปัญญายติเสืมปรากฏแล้วก็ ทิตะสารยัตตังปัญญาญติเสื่อมเรื่อยๆและพะสูตรเมื่อสักครู่นี้คือพูดเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปถึงเนตังมามะนะนั่นนี่คือสามลักษณะในการบรรยายคุณสมบัติของสังขต ธ, ธรรมนะถ้าเอามาเชื่อมกันทั้งหมดก็คือเกิดเสือเส่อมเสื่อมเรื่อยๆดับแล้วก็ เป็นอนัตตาแล้วก็ณเมโสอตตาอย่างนี้ไล่ไปอย่างนี้พระเจ้าเคยตรัสอีกถ้าเธอจเจริญอันนี้จังมากๆอันนี้จะสัญญามากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงถ้าเธอเห็นไม่เที่ยงเรื่อยๆเธอจะรู้ว่าที่สุดนั้นต้องดับยมเห็นก้อนน้าแข็งเนี่ยละลายเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลายมประเมินได้ไหมว่าก้อนน้าแข็งนี้ต้องหมดแน่นอนประเมินได้เห็นนะเพราะยมเห็นอันนี้จัง เรื่อยๆอยเรื่อยๆระพุทธเจ้าบอกทุกเหตุอนัตตสัญญาใครเห็นทุกขังคือการดับเรื่อยๆจะเข้าใจอนัตตาใช่ไหมนั้นการเห็นอนัตตามาจากการเห็นทุกขังเห็นน ะ, ะการเห็นทุกขังมาจากการเห็นอนิจจังคือเสื่อมเห็นน ะ, ะท่า น, นี้ถ้ามีคนบอกว่านิพพานเป็นอนัตตามันจะใช่ไหมนะ ถ้าโยมรู้คุณสมบัติของนิพพานพระเจ้าบอกว่าณอุปาโทปัญญาญติไม่ปรากฏมีการเกิดก็ในเมื่อมันไม่เกิดนะถ้ามันเกิดมันต้องมีนี่กระดาษเกิดมาก็มีกระดาษขาดมีกระดาษเสื่อมมีกระดาษเปือ่อยผูแตกสลายหายไปแต่ถ้าไม่มีกระดาษเกิดไม่ปรากฏเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจึงบอกคุณสมบัติอย่างที่สองของนิพพานณวโยปัญญาญติ ไม่ปรากฏมีการเสื่อมเสื่อมไม่มีเพราะเกิดไม่มีไงดับมีได้มไหมไม่ได้หมดสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอย่างที่สามณทิตฐิสัญญาตั้งปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่มันมีอยู่เนี่ยเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีแล้วไม่มีเสื่อมเรื่อยเื่ไม่มีเพราะฉะนั้นดับไม่มีสภาวะที่ดับมีแต่สังตธรรมคือขันธ์ห แต่นิพานไม่มีการดับเมื่อดับไม่มีเสื่อมก็ไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีเกิดก็ไม่มีนะนี่ไล่เหตุปัจจัยไปอย่างนี้เพราะนั้นมันจะเป็นอนัตตาได้ไหมไม่เกี่ยวเลยอนัตตาจริงเป็นธรรมชาติที่เกิดเสื่อมดับจริงถูกเรียกว่าอนัตตานะแต่ของไม่เกิดไม่มีอะไรเรียกนะเรียกอะไรไม่ได้ อันนั้นสภาวะของนิพพานบัญญัติอะไรไม่ได้นะวิธีบัญญัตินิพพานหรืออธิบายนิพพานผู้เจ้าจึงมีกรอบในการอธิบายแบบของพระองค์โดยอธิบายในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเรามีเราเป็นแล้วบอกว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่เช่นบอกว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่น ะ, ะลูกปสัญญารูประสัญญาไม่ใช่อย่างเนี้ยผู้เจ้าบอก สิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดินน้ำไฟลมเรารู้จักเห็นนะดินน้ำไฟลมพระเจ้าบอกไม่มีนะกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เรารู้จักแต่พระเจ้าบอกไม่มีงามไม่งามเรารู้จักแต่พระเจ้าบอกในนั้นไม่มีเห็นนะเห็นวิธีบอกนิพพานของพระเจ้าไหมะจะบอกในสิ่งที่เรารู้ นั้นถ้าบอกในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไม่มีอายจะตนะไปตรวจสอบโยมจะประเมินมันยังไงประเมินไม่ออกพระเจ้าจึงอุปมาเปรบเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดแล้วโยมก็บอกอ้านี่สีขาวนะท่านบอดน่ะนี่สีเหลืองสีแดงสีเขียวบอดรู้ไหมบอดไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบอกยังไงก็ไม่รู้นี่พระเจ้าอุปมาอย่างนี้ นั้นเขาต้องไปทำตาให้ดีเสก่อนรา hmm. นนั้นวิธีอธิบายนิพพานของพระตถาคตจึงอธิบายภายใต้สิ่งที่เรารู้ได้แล้วบอกว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นนไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่สรุปแล้วมันไม่ใช่หมดเลยนะทั้งขันทั้งห้าพุเจ้าบอกในที่นั้นไม่มีดวงจันทร์ดวงทิ์ไม่มีดาวฤกษ์แต่ไม่มื แสงอย่างที่เรามีเนี่ยแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงไฟจีปาธไม่มีในนั้นแต่นั้นนั้นไม่มืดแค่นี้เราก็ประเมินยากและเริ่มงงงงไม่มีแสงแต่ไม่มืดมันเป็นยังไงว่าใช่ไหมหมดแล้วนะคำถามกระดาษหมดมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไห ปัญญาในทางพุทธศาสนาให้ตีกรอบลงไปที่อริสสีพระเจ้าตรัสว่าอ ะ, อะไรคือเครื่องวัดปัญญานะการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและดับไปนั่นแหละคือเครื่องวัดปัญญานั้นปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ต้องการเห็นอะไรนอกจากเกิดไหมดับไหมนะเพราะเมื่อเราเห็นเกิดดับ เราจะเข้าใจอนัตตาเข้าใจนั่เมโสอัตตาว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันขึ้นมาได้นี่คือเหตุปัจจัยของการที่จะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมานั้นจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามสมาธิทุกขั้นเกิดดับหมดเพราะนั้นถ้าโยมใช้หลักการของพระสารีบุตรที่พระเจ้าได้ทรงอธิบายด้วยพระองค์เองพระสารีบุตรเข้าสมาธิทุกระดับเก่งมากได้ทุกขั้น แต่เข้าไปแล้วภาษาลิบุตเป็นยังไงใช้มุมมองของอริสัดอย่าง